เป็นเวลาของการเจริญพระกรรมาฐานนะนี่ก็เป็นยนของวันเสาร์ที่25กันยายน2547วันที่ทุกคนก็ได้ตั้งใจทำความเพียรเรียกว่าตั้งใจมาปฏิบัติเราจะอยู่ไกลอยู่ใกล้เราก็ต้องใช้ความเพียร ตามตั้งใจใจจดใจจอ่อบางคนใจใจจดใจจ่อว่าถึงวันนั้นวันนี้เราจะได้มาเจริญพระธรรมท า, านที่นี่คิดใครคนแล้วว่าเราจะมาอย่างไงเราจะทำอย่างไงเราจะละทิงสิ่งที่เป็นภาระภายนอกอยังไงว่าเราจะได้มาประบิตปฏิบัติตามวันเวลาที่เรากําหนดกันนี่ก็เป็นสิ่งที่โดอส่วนใหญ่ก็คิดไปก่อน ตั้งใจไว้ก่อนแล้วเราก็ได้มาประทำกันให้เกิดขึ้นเป็น ท, ที่ครบาอาจารย์ได้น แ, แนะนำในการปฏิบัติเจริญพระกรรมฐ า, านก็คือการคิดคิดพิจรารณาก่อนคิดถึ ง, อ, งอะไรเราจึงจะจักใจได้ดีคิดถึงความทุกข์สิความทุกข์มันทำให้เราอยากหนี อยากไปไปให้มันไกลๆอยากจะไปอยู่ในที่ที่มันมีความสุขสบายที่ไม่มีความทุกข์อยู่ตรงนั้นความทุกข์เหล่านี้เราเคยเจอ ก, กันมายาวนานแล้วไอ้จิตจไม่ได้ดังเยอะว่าสิ่งที่จําได้ปติดไอ้สิ่งที่เราจําได้เราก็เจอในชาติปตาสุดนี้ก็น่าจม า, มาทุกคนเนี่ย จะให้มีเวลาจุดต่อโตรงมันจะเรื่อยากาพราะภาระของธาตุขันมันดุขันจิตแต่เราภาระที่ต้องกระทําในหน้าที่การงานมันดุขันจิตแต่เราภาระเหลา่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาอยากกระทำจะจแต่จำเป็นต้องทําเพราะถ้าเราไม่ทํา าการเป็นมนุษย์มันก็อยู่ด้วยความยากลำบากถ้าเจรไม่กินเจก็ต้องถูกร่างกายเจ็บแทงเจจะทนให้ร่างกายเจ็บแทงตัวเจได้นานแค่ไหนถ้าเจไม่มีคิดพึ่งอย่างอื่นบางท่านก็อาศัยสมาธิหรือ ว, ว่าธรรมปิติถ้าจิตมันยังอยู่ในที่จริงเกิดสมธรปิติคือมีความสุขในธรรม เน้นรักษาอารมณ์สมาธิตรงตัว อ, อยู่นั้นจิตมันจึงไม่เกาะในความทุกขเวทนาที่สุกเกี่ยวกันจากร่างกายท่านก็เลยไม่ทุกข์จะจะมีใครก็สี่คนในความเป็นมนุษย์จะกระทาให้สิ่งนี้ดาเนินอยู่ได้ไม่ขาดสายแต่เราทุกคนเท่าที่เป็นกันอยู่เราก็ต้องพยายามหลีกเรื่องสิ่งที่ทําให้ร่างกายเป็นทุกข์ แต่เราก็เลิกมันไม่ได้เพราะความหิวมันไม่ขึ้นกับใครมันไม่บอกวันจะมาหาเราเมื่อไหร่อาการเจ็บแทงทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากร่างกายมันจะเกิดขึ้นกับเราตรงไหนที่ไหนเวลาใดเราก็บอกไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วมันก็ไม่บอกเรามันจะไม่เกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเวลา ติดต่อ ก, ก, กันไม่ขาดสายภาษาพระทันว่าเป็นสัน ต, ติที่มันสุทเนื่องกันไปเราจึงเห็นว่าตามทุกที่ เ, เกิดขึ้นจากภาวะเอกอัติเดืดขันในจิตใจของเรานั้นไม่เคยขาดหายไปเลยการปฏิบัติันหลักภาระทางใจไหนจะคอยขอ่มจิตข่มใจตัวเองไม่คิดชั่วมันก็ต้องเดือขั้นใจตัวเองว่าต้องทําถ้าไม่ทํา มันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ปล่อยไม่ได้ไหนจะต้องคอยระมัดระวังจิตใจคนอื่นที่เป็นที่รักที่ไม่ให้เขาทุกข์ต้องคอยระวังแม่ให้เขาคิดชั่วแม่ให้าพูดชั่วแม่ให้เขาทำามชั่วมันก็ดุดกานจิตใจให้เราต้องคอยระมัดระวังตลอดเวลาไหนจะตกเจ็บแทงจากคาดขันที่แปรปรวนอยู่เสมอหาจุดลงไม่ได้ เสี่ยหาที่สุดของมันไม่ได้ว่ามันจะเกิดลงตรงไหนจนกว่าเรากำลังขาดกันลัดขาดเราก็ไม่ต้องแบกภาระจะกการผูกเสก็บแทงแล้วโดยที่จะนั่งนาดูเอาเจอว่าเราจะมีเวลาไหนน้อยมากทั้งแต่เกิดมาที่จะไม่สุขสิ่งเหล่านี้ดิบคันเราเลยจนไปไม่ได้เร ต, ต้องสุก ด, ดิบทั้นกับสิ่งที่เรียกว่าร่างกายเราร่างกายคนอื่น ภาระที่เราต้องรับผิดชอบในฐานะนั้นฐานะนี้เราต้องทำอยุดตลอดเวลานี่พ่อเราป่วยนี่แม่เราป่วยนี่ลูกเราป่วยนี่ญาติเราป่วยไม่สบายเป็นภาระจะไม่สนใจก็ไม่ได้เพราะมันคือภาระที่ต้องรับผิดชอบไปแล้วในร่างกายตัวเองป่วยก็หลุเด้งไม่ได้จะปล่อยใช้มือมันก็เจ็บนานเจ็บป่วย เราก็ต้องคอยหาสิ่งที่บำรงงุงคอยบันเทาไม่ให้ทุขเวทนามันเกิดและให้มันดับหายจากโรคภัยไข้เจ็บไปเสียท่านภาลากับบิดคันเ่าเนี้ยเราจะนั่งให้ส บ, บายด้วยความสงบแล้วมันก็ทําให้หเราเจ็บนูน่นปวดนี่ําคาญตรงนั้นรําคาญตรงนี้บิดคันใจเราีกแล้วรวมไปแล้วทั้งหมดเนี่ย มันเป็นคามทุกข์อย่างยิ่งไม่ใช่ทุกน้อ ย, อยเพราะเราไม่ชอบใครบุกคั้นจิตใจเราแล้วก็ไม่ชาบให้มีอาไรมาบุกคั้นใจเราด้วยมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งใคร่ว่าทุกโศมากทุกที่เราไม่เราไม่ปรารถนาจะพบมันเลยแนมะ้สักเพ่วินาทีเดียวนะสักเวลาเวลาเดียวเราก็ไม่อยากมีไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเรา จริงนี่เราจะยังไงนหนอเราจะได้มีความปลอดโปร่งเวลาใดหนอเราจะได้เป็นอิสระสบายไม่ต้องขึ้นกับอะไรไม่ต้องขึ้กับการเวลาไม่ต้องรอเวลาไม่ต้อรอสิ่ง น, นั้นไม่ต้องรอสิ่นนนง น, นี้ไม่ต้องรอให้สิ่ง น, นั้นมาปรากฏจริงจะทําให้เราเป็นสุข ด, ดีไม่ต้องรอว่าสิ่ง น, นั้นจะจบขึ้นเป็นทีเราก็ได้ทันทุกหลายเรื่องหลายภาระ มันมากมายสุดจะพรลนานพะูดทั้งปีงทั้งชาติก็ไม่จบแต่เราก็มีบทสรุปได้อย่างจนปากจนคําว่ามันดือดคันทําให้เราไม่มีอิสระเพราะไอ้เจ้าร่างกายนี่แหละเป็นเสือรวมของสิ่งที่เรื่องเดืดคันจิตใจเราต่างๆนานาถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราจะรู้ตัวราอยากจะหนีมันไป ไม่อยากพบมันไม่อยากอยู่กับมันความคิดยังไม่อยากจะคิดไม่อยากจะนึกถึงไม่อยากจะตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่ดิบคั้นจิตแผลเราไม่อยากจะนึกถึงการลข้างหน้าคือการเวลาต่อไปที่เราต้องไปเจริมที่ดิบคั้นเราอีกไม่อยากจะไปไปคิดถึงมันอีกเลยอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่ที่มันมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยที่สุด ที่ฉชนนั้นจะมีที่ไหนที่แน่ๆคือที่ใจเราถ้าใจเรานิ่งเราก็ไปอยู่ในแดนที่มีมีความนิ่งสงบถ้าใจเราสงบเราก็อยู่แดนที่สงบได้หรือว่าใจของเรามีคามเบิกบานสงบด้วยเบิกบานด้วยปลอดโปรงด้วยใจยเราก็จะไปอยู่ในแดนที่ มีสับปะรคนดยท่านที่มีสุดใจแบบเดียวกับเราแต่ที่แน่ๆคือใจเรา <c oughs> มันเป็นที่ที่เราสงบที่ที่ทาให้เราไม่ต้องไปหาที่อื่นที่ไกลไปกว่า น, นี้ถามว่าเธอจะพบใจเธอได้อย่างไรเธอจะเห็นใจเธอได้อย่างไรเธอจะไปสงบในใจของเธอได้อย่างไรเนื่องจากเป็นเหตุที่เธต้องคิด หาคำตอบคำตอบก็มันไม่มีอะไรยุ่งยากเก่งแค่เร า, าเค่ควๆพิจารณาอย่างที่พูดมาเราก็จะรู้สึกว่าความวุ่นวายทั้งหลายมันเป็นแค่เราแท้ๆที่ดิ้นลนเห็นดีเห็นงามเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสุขเห็นว่าได้มนุษย์เป็นสุข การมีรูปร่างเป็นมนุษย์จะทำให้เราได้อย่างนั้นพบอย่างนี้จะเจอเสิ่งนั้นมีสินน่งนี้นั่นก็เป็นเพราะเราเองที่คิดเองเออเองเข้าใจัปเองทึกทักเอาเองไป ต, า, ตามความไม่ยอมเชือชอบของตัวเองมันเกิดจากใจเราเองไม่ได้เกิดจากอะไรไม่มีใครผลักดันให้เราเป็นไปไม่มีใครชักจูงเราไป ให้รับไปเป็นอย่างนั้นให้รับไปเป็นอย่างนี้แต่เพราะเราคิดเองว่าเป็นของดีเหมาเอาเองว่ามันจะเป็นความสุขล้วจึงขนควายเยทะยานไปแสวงหาให้ได้ดั่งใจคิดตนเองคิดเลยแล้วว่าเป็นตามติดจริงเป็นของดีจริงเราจะไปมองอะไรให้ใจนอกจากใจเราเองเมื่อเหตุมันเกิดที่ใจเรา ก็ดัดมันเป็นเหตุีดหละเหตุที่ใจเราคิดเองเออเองแล้วก็ดัดความคิดที่มันคิดเองว่าสิ่งที่คิดแบบนี้เราไม่คิกอีกแล้วสิ่งที่เออเองแบบนี้ว่าเป็นสุขเราเห็นแล้วไม่เจอความสุขเราไม่เอาแล้วเราไม่อยากคิดถึงมันแล้วไม่อยากคิดถึงความเป็นมนุษย์ไม่อยากคิดถึงการหีีซับไม่อยากคิดถึงการมียศสามัญดาับ ไม่อยากที่ถึงความตกเรื่องหน้าวันไรยังมีคิดอยู่เราจะได้มีไอ้นั่นมีไอ้นี้กับเขาเราจะได้ทำสิ่ง น, นั้นทําสิ่ง น, นี้สิ่งเหล่านั้นมันไร้สาระเหมายความว่าทําไปก็สร้างความกังวลทําไปก็มีแต่คามเบกคขันจิตใจถึงเราจะพยายามทําในสิ่งที่เรียกว่าความดีมากแค่เท่าไหร่แา่ใดที่เรายัางทรงสังขาร่างกายอยู่เรื่องเบกคขันจิตใจมันยังไม่หายไปไหนมันยังต้องมา พบเจอกับมันตลอดเวลาเราต้องการหนีสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมองที่ตัวเราตัวเรานี่แหละสร้างความบิดเบือนเราเองสร้างปัญหาให้กับตัวเองเพามันโลกเองมันหลงเองมันไปโกหกเองมันจะยึดถือสิ่งนั้นเอาเองว่าเป็นเราเป็นของเราเองมันคิดเองเออเองหมด แล้วมันป่าขนานตองมันเองหมดไม่มีพระท่านมาเชีย่ยวป่าขนาอย่างนั้นสิไปตรงโน้นสิท่านมีแต่ให้ละละความพอใจละความยินดีเสียอย่าไปหลงจิตมันทาําความสงบให้ใจเรามองเห็นตามจริงสิตั้งแต่รักษาสิทธิห้าคำบวชศีลให้ครบนะตั้งใจให้ทานนะจิตใจจะ้เป็นรูความพรหมฐานสี่ที่มีเมตตาเป็นกําลัง เราจะเล่นสงบง่ายเมื่อเราหยุดตามคิดทั้งหลายด้วยความสงบอันเกิดจากเตือนอันบริสุทธิ์คือมีภูมิฐานสี่ดีแล้วจิตมันก็จะสงบมีปัญญามองเห็นความจริงได้อย่างของแท้หลังจากนั้นมันจะทำํำไงมันก็ไม่อยากเดินไปไหนมันก็อยุดใจเพราะมันนิ่งๆพอใจมันนิ่งมันจะเกิดอะไรมันก็เกโครงสว่าง โรงไม่อิดอัดมีความสว่างมีความเบาอยู่ในตัวของมันเองเมื่อจิตมันสงบมันโปร่งสว่างในตัวของมันเองเคยก็เห็นความสุกเกิดขึ้นแล้วและอยู่ในใจของเราก็าสุกแล้วเราไม่ต้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสุกแล้วแต่ถ้าเรามีกําลังอัิญญายะสมาบัติจิตมันคุ้นเคย เพื่อจิตไปได้บบนิพพานได้ววได้ไปสวรรค์ได้เมื่อถึงจิตมันเป็นสุขอย่างนี้มันไปเองไม่ต้องบังคับจิตมันชอบที่จะไปในที่เป็นสุขสยูแล้วมันไปของมันเองไม่ต้องอยากไปเพียงทําใจของเราให้สุกเท่ากับแดนที่เราจะไปพอเข้าใจไหมทําใจของเราให้มีความสุขก่อนก่อนที่เราจะไป หน้าแดงที่เป็นที่อยู่ของใจเราสุขแค่ไหนเราก็จะไปได้แค่นะั้นสุขกามาวาจรสวรรค์แล้วก็ไปได้เชิดจามาวาจรสวรรค์สุขจะวามสงบแล้วก็ไปแดนของลมมรรคสุขจะการหมดตามยินดีแล้วมนุษย์เทวดานังฟ้าตนมันก็จะไปดูตามสุขกันแดนที่เรียกวันนิพพานเองมันไปเองนะ ไม่ต้องบังคับมันไปไม่ต้องใจจดใจจ่อจดจ้องที่จะพามันไปถึงใครจะไม่ให้ถึงนิพพานนั่นก็ไปเองขอยห้ทำใจให้ถึงเสร็จมันไปที่นั่นของมันเองแต่มันไม่ไปเองมันก็อยู่ในใจของมันเป็นตุกเองอยู่แล้วแต่ไม่ได้ที่ร่างกายมันพังมันก็ไปที่นั่นเองถึงเครจะไม่ทำวันนิพพานนงสุขังนิพพานนงสุขขัง มันก็ต้องไปที่นั่นของมันเองอันนี้คือความจริงนะนั่สิ่งที่เราต้องทำก่อนคือทำที่ใจให้สุกตรงใจเราก่อนให้ใจเราเป็นที่ให้ตามสุขใจเราก่อนก่อนที่เราจะไปที่แดนสวรรค์ลมและ ว, วันนิพพานอันนั้นน่มันไปแน่นอนแต่ถ้าใจของเราไม่สุขน้อยจนป่าถนาจะไปมันก็ไปไม่ได้ถูกไหม เราตั้งใจจะอยากแค่ไหนจะอยากจะไปนิพพานอยากจะไปนิพพานไปติตของเราล่ะมันพร้อมแล้วหรือยังมันยังไม่พร้อมเลยมันจะไปยังไงวประมาเหมือนลูกกองที่มันแป๊บมันจะเป็นลูกกองสวรรค์ยังไงมันจะลอยขึ้นไปในอากาศได้ทันไหนถ้าตราบใดที่มันยังแป๊บของมันอยู่จริงไหมมันต้องมีลมข้อนี้สำคัญแต่เราก็เหมือนกันถ้าเธาต้องการความสุข มองโดยที่ใจเจอก่อนทําให้ใจของเราสงบลงไปกับความจริงที่เจอเห็นแล้วว่าเราน่ะไม่มีที่ไหนเลยเป็นสุขนั่งตรงนั้นก็ไม่สุขนั่งตรงนี้ก็ไม่มีความสุขอยู่มุมนั้นก็ไม่สุคมุมนี้ก็ไม่สุขมันไม่จุมันไม่ใช่มันไม่มีความสุขเพราะว่ามุมนั้นมุมนี้ที่นั่งที่นี่แต่เพราะใจของเราสิมันไม่หยุดมันไม่หยุดคิด มันไม่หยุดตัดทันามันไม่หยุดนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันไม่หยุดนึกถึงสิ่งที่จะปรากฏในอนาคตมันไม่หยุดสิงเหล่านี้จังหากแหละเราก็เลยไม่สงบตอกใจไหมมันไม่จะเป็นชีวิตที่มันไม่ได้เป็นที่ไหนหรอกถ้าเธกําลังใจเครื่องแข็งต่อให้ร่างกายของเธอจะกระสับกระส่ายหยุดขั้นเธอเพีงใดเธอก็ จ, จะไม่ไปตามมันเธอไม่สนใจมัน จะไม่คิดอะไรกับมันอีกแต่เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราคิดแล้วก็สงบได้นิ่งได้ทำเหล่านี้ก็จะเป็นช่วยรักษาใจของเราให้เป็นสุขได้ไม่ต้องอาศัยอะไรอาศัยความจริงที่เจอคิดเห็นหนี่แหลมองไปที่ตัวของเจัวเองว่ากำลังคิดอะไรสิ่งทุกผ่านมาทาให้เราเป็นทุกขอ์กอะไรแต่ทุกข์เพราะอะไร ถ้ก็เป็นสิ่งตาที่มันบีบคั้นติดใจของเราเราจะนึกถึงมันไหมไม่นึกแล้วพอใจที่จะเป็นกับมันแบบนี้ต่อไปในเรื่องหน้าไหมไม่เอาแล้วนึกก็ไม่นึกกินดีแล้วอนาคตอย่าให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันก็ไม่สนใจแล้วเมื่อข้างหน้าก็ไม่สนใจที่ผ่านมาก็ไม่เอาไม่จะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่กับมันตรงกลางเจตมัธยีมาปฏิปทาจิต อารมณของจิตมันก็จะเป็น 88, มัธมทิมาปฏิปปะที่มันสงบสงบจากความตุกมันสงบจากอะไรสงบจากความคิดในเรื่องของอดีตสงบจากความคิดในเรื่องของอานาคตสิ่งที่เราคิดในอดีตคือความทุกข์ทั้งสิ้นเรารู้แล้วสิ่งที่มองไปตัวอานาคตก็มีแต่ความทุกข์สืบขั้นจิตใจเราก็เห็นแล้วเราจึงไม่อยากจะนึกถึงมันคิดถึงมัน มันก็เลยตกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกลางเปล่ามัชชีมากลางนะเพราะใจมันเป็นการสงบนิ่งเราจะทายังไงให้จิตของเราอยู่ได้อยู่ไดานนานนาน้นานๆเราก็ต้องอาศัยสิ่งที่เราพอใจถ้าพอใจเนื้อพระรูปคุของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งเราก็นึกถึ่งพระรูระุโศมองค์นั้นขึ้นมาเป็นนิมิดเราพอใจจับลมหายใจแล้วก็นึกถึงลมหายใจเข้าออกเป็นนิมิด เราปอใจว่างๆไม่คิดอะไรว่างเปล่าไม่ต้องการมีรูปไม่ต้องการเห็นรูปไม่ต้องการกําหนดในรูปแล้วก็กําหนดใจลงไปในความว่างๆไม่คิดอะไรแต่ความว่างเปล่าเป็นกําลังเพื่อให้จิตของเรามาอยู่ได้นานไม่ใช่ตาเดี๋ยวเดียวเป็นการฝึกฝึก ด, ด, ด้วยคํำภาวนาบ้างเอาใจดไปโยงกับคำภาวนาบ้าง อาจจะไปโยงกับการสวดมนต์บ้างบทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งบ้า ง, า ง, างแล้วก็เป็นใจก็เลยอยู่อย่างนี้นานๆ น, น, น, น, น, นานสักหานาทีสิบนาทีเป็นการตึกใหม่ๆไม่ต้องมากแล้วก็ค่อยทำอย่างนี้บ่อยๆจำไว้วนะความสุกอยู่ที่ใจเราสงบนัตติสันติประมังสุขขังความสงบ ยื่นใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการที่เราไม่ต้องคิดอะไรเลยคือไม่ต้องมีอะไรเลยในใจเราเป็นาการสงบอย่างยิ่งคือความสงบจากการที่ไม่ต้องคิดนิดถึงสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์เพราะเรารู้แล้วเป็นทุกข์ไม่คิดถึงมันแล้วแต่ถ้าเรายังเห็นว่ามันไปตกคิดมันต้องคิดแน่นอนจาไหมนะ คิดมันจะคิดก็แต่เมื่อมันเห็นว่าเป็นสุขมันเป็นคิดแต่ถ้ามันเห็นว่ามันเป็นทุกมันไม่อยากคิดระยะตามคิดตามกังวลของใจไม่ยากเห็นไหมถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันมันไม่อยากคิดมันไม่อยากนึกหรอกเหมือนของสกปรกนั่นแหละจะใจนึกถึงมันทําไมถ้าเห็นว่าข้างหน้าเป็นขี้เธอต้อเอาเนื้อไปจิ้มมันไหม ว่ามันเป็นขี้จริงหรือเปล่าทั้งๆที่รู้ว่า เ, เป็นขี้แล้วก็เหมือนสะปรกถ้าตอนนี้ติดจินมจินแล้วในตัวต่อตมันดูอมมันดมไหมดมยังไม่พออ ม, มมดูดไหมจะได้หายสงสัยต้องทําถึงขั้นขนาดนั้นไหมก็ไม่ต้องถึงขั้นขนาดนั้นถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดรู้ว่ามันเหมือนก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปแตะ ต, ต้องแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นของหอมล่ะ มันก็อดที่จะจตะต้องไม่ได้ใช่ไหมเหมือนหมาหมามันนกวคีรหอมมันก็เลยจะดมดมดมไม่พรอมก็เลนตระวดัดเข้าไปในปากมันไอเราเห็นแล้วก็อยากจะแะ อ, อ, อ้วกแต่มันเห็นมันก็น้ำลายไหลแล้วก็ลองคิดตามจริงว่าตามเป็นจริงอ่ะถ้ามันเห็นว่าจุกมันซุดแน่แน ถ้าเวลาใดมันเห็นว่าทุกเห็นว่ามันเป็นสื่อความทุกมันไม่อยากคิดเลยงั้อความสงบทายากไหมไม่ยากแค่จะคิดก่อนคิดให้เห็นตามจริงว่ามันคือสิ่งที่บีบคั้นเราจริงๆทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆทุกข์เพราะเรื่องนั้นทุกข์ก็เรื่องนี้เบื่อไม่อยากคิดถึงมันเลยไม่อยากจำเลยไม่อยากนึกถึงสิ่งที่ต้องเจอะเจอมันเรื่องหน้าเลยไม่อยากตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเลยเไม่เอาแล้วฉันอยากอยู่สงบ ความสุขเรื่องใดจะเท่ากับความสงบไม่มีเนี่ยนัตสันติประมังสุขขังเห็นไหมถ้าจิตมันสงบจากความคิดความตึงสั้นมันก็มีสุขมันก็มีความสุขมี่ความสุขมาเกิดช่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งมันสั้นเกินไปเราก็ต้องฝึกให้จิตมันตรงตัวนานๆโดยการเลื่อนใจกับสิ่งที่เรียกาจะเป็นนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีความพอใจ นึกเห็นลูกแก้วแล้วรูสึกเออมันแพร่พราวจัดใจดีนึกถึงน้ำมันยืนดีนึกถึงอากาศที่ว่างเปล่าดีนึกถึงพระระองนั้นพระะองนี้พะระสงองค์นู้นเออนึกถึงท่านแล้วสบายใจดีนึกถึงพระพุทธรูปองค์โน้นที่สวยงาม อ, อจับใจดีแล้วก็ทําอย่างนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้ใจของเรามันตรงตัวนาน แต่ถ้ามานทรงตัวได้สักพักหนึ่งมันเริ่มตกไปเริ่มฟุ้งซ่านกลับไปหาสิ่งที่มันเป็นอดีตใหม่กลับไปหาสิ่งที่ต้องกังวลอนาคตใหม่ทำยังไงกลับไปคิดพิจารณาเหมือนเดิมทุกไหมถามตัวเองในไอที่จะคิดไอที่จะทํามันทุกไหมมันน่าเบื่อไหมถ้าเราต้องมีร่างกายต้องมาทําอย่างนี้เองอยากทําหรือเองอยากฝึกพัฒนจิตใจแบบนี้หรือชอบไหม ถ้าใจเราไม่ชอบไม่เอาไม่อยากคิดเมื่ออยากคิดก็อยากคิดติอยู่นิ่งๆสิอยู่สงบสิพอมาสงบลงไปแล้วก็ดึงสิ่งที่จิตมันเคยพอใจภาพพระก็ดีภาพนิมิจฉุกเฉ่ใ ย, ใยใสยใสใสุขใสใสเป็นสกายก็ดีัสงสว่างก็ดีอะไรก็ได้ที่สามารถจะหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันตรงตัว อ, อยู่ได้นานๆแล้วก็ดึงขึ้นมาทํามันสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ นี่คือการปฏิบัติกรรมฐาน ท, ที่โบราณอาจารย์นุกุบาอาจารย์ไรืว่าครูใหญ่ทั้งหลายท่านสอนกันมาทํากันแบบนี้ถ้าเธอทำตามที่อาจารย์ใหญ่ท่านทํากันนุกุบาอาจารย์ท่านทํากันแบบนี้เธอจะเป็นคนที่ทรงสมาธิจิตได้ง่ายเมื่อต้องสุกขทุกข์อารมในช่วงเวลาใดขณะใด คามค้นเคยของการคิดก็ดีคุ้นเคยต้องความสงบก็ตามมันก็มาดังเกิดขมไม่ถึงมาจะมาชื่อยักยันชั่งใจของเธเชื่อยไม่เจอทุกเชื่อยไม่เจอคิดสพื่อหาความทุกข์ต่อไปมันจะหยุดของมันเองแล้วมันก็จะคิดของมันเองเป็นอัตโนมัติดีไหมแบบนี้ถ้ามันเกิดเองคิดเองหยุดเองเราสบายใจไหมจะสบายใจ นั่นแหละว่าเราปฏิบัติมากๆเท่าไร่ข้องตัวเท่าไหร่จริงนี้มันจะเกิดผลเป็นอย่างนี้ถ้าอารหันท่านไม่มีตามทุกข์กะเพาะอย่างนี้คือมันเกิดเองคิดเองหยุดเองเกิดด้วยตัวของมันเองไม่ต้องมานั่งคิดอีกไม่ต้องมานั่งใครเคลื่นไม่ต้องมานั่งหยุดใจทำํำสมาธิอีกไม่ต้อง ท, ทําจิดของใจท่านไม่มีกระเพาะเหตุนี้เพราะว่าท่านคิดแล้วเข้าใจแล้วไม่คัดค้านแล้วยอมรับแล้ว มันเจอถ้าใครคิดทุกขบ่อยๆเข้าได้แรกมันก็คิดมากคิดเยอะพอมันคข้ามตัวมันคิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปจนคิดง่ายๆละเพราะอ้ร่างกายทำเวลาเป็นทุกข์ไม่มีมันเราไม่ทุกข์จบตามคิดก็ต้องคิดต่อคิดตันทลงยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ความคิดก็จะน้อยลงไปจมาคิด มันก็จะทรงตัวได้เร็วขึ้นสงบไปขึ้นพิจิตรเครื่องวัดพิจารณาธรรมสั้นลงบทสรุปของใจเร็ขึ้นยอมรับเร็ขึ้นแล้วก็เข้าปู่ตาสงบได้เร็วแล้วก็สรงตัวได้นานนั่นคือสิ่งที่เป็นเครื่องวัดของการปฏิบัติของเธอว่ามันจะเกลีนเป็นอย่างนี้จึงทําเท่าไหร่คิดมากๆ ม, มันจะคิดน้อยลงคิดน้อยลงไปน้อยลงไป บทสรุปของมันจะมีมากขึ้นและชัดเจนขึ้นคือมันหาต้นตอได้แล้วว่าอะไรคือเหตุของความทุกข์แล้วมันก็ยอมรับโดยไม่ปฏิเสธถ้าอาหารทั้งหลายท่านยังคิดเงงคิดแค่สั้นๆไม่ได้คิดมากมันไม่มีอะไรเมื่อคูอบทสรุปของท่านคือความไม่มีอะไรเมื่อมันไม่มีอะไรท่านจะไม่ต้องคิดอะไรจบทุกก็ไม่เกาะใจท่านเหตุผลทั้งหลายก็ไม่ต้องเอามาใช้ให้มากมายเห็นไหม แต่ถ้าเราจะมาดัดทุกแม่ใจเราต้องยกแม่น้ําทั้งห้ายกไอน้นั่นยกไอน้นี่ยกไอน้นั่นเพื่อะไหมเอามาเพื่อดัดทุกนี่จะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกมันให้คิดพิจารณานมาก่อนนานนั้นอย่างดีแต่ถ้าเรบพิจารณานก็มันบ่อยๆทําทุกวันทุกวันตั้ำๆอย่างเนี้ยพืจะสังเก ว, ว่าพอเริ่มเขา้าใจละไม่คิดละเขา้าใจละไม่จะคิดมากยอมรับละเชื่อละไม่ลังเลยสงสัยละมีเพ่ยงแค่นี้ โดยไหนก็แค่าตายคิดเรามากเห็นไหมมันก็จบลงเพราะเราคิดถึงความตายบ่อยมันก็ระเบิดจุดก็กากมาคุกหข์ช้ามันเนี่ยแค่ตายตายแล้วก็ไม่เอาแล้วร่างกายมันก็เลยไม่อยากไม่ถึงอ น, อนาคตไม่อยากสนใจอดีตโยงตรงกล า, างกลางทใจสงบตรงไปภาวนาภาวนาจักนิมิตบ้างภาวนาจั บ, บาพพระบ้ า, า, บางนิมิอะไรก็ได้ หรือบางคนก็มาภาวนาจับประมัยใจเฉยๆบางคนก็ไม่จับจอะไรเลยปล่อยว่างๆปล่อยมันไปมันไม่เสียหายแล้วนะเพราะนั่นคือกําลังของการหยุดใจไม่คิดนํามาชี้ความทุกนั่นเองจะปัญญาเราคิดแล้วใคไกลัวแล้วนั่นสิ่งที่จะแปรเปลี่ยนไปในในการปฏิบัติของเธอเนี่ยเชยจะวัดผมได้จากการที่เชคิดน้อยลง เรื่อมากขึ้นมีบท ป, ประดุจของใจเร็วขึ้นยุติความคิดในอนาคตยุคคิดในสิ่งที่ผ่านมาเร็วขึ้นหมายควาว่านิบบอมันไม่เกิดจบไหมยุวานไม่มีนั่นหมายว่าสมาธิเคยมีใช่ไหมมีเป็นสมาธิโดยธรรมชาติที่เรียกสมาธิ จ, จริงพอสมาธิ จ, จริงเกิดขึ้นตั้งปัญญามันก็เกิดขึ้นทันที เพะนั้นปัญญาเกิเรูเร้เกิดยามรับเกิดตามเข้าใจในความเป็นจริงอย่างละเอียดมันจะรู้แจ้งแทงตลอดมันก็เลยหยุดคามวุ่นวายสงบลงไปนี่คือผลของการปฏิบัติที่ค่อยเป็นค่อยๆไปนะขอยจะเอาเป็นหลักของการปฏิบัติที่โาราณาจารย์ลูกบาอาจารย์ที่เปิดประคุณหลวงพ่อแนะนํำนั่นแหละฉันเอาสรุปมา โรกบรวมเอามาให้เป็นเดบสรุ็ง่ายๆวะเธจจักจิตแค่นี้พอไหมพอก็ใจในการคิดไหมความทุกข์ของใครของมันใช่ไหมพบต่างคนต่างทุกข์ไม่เหมือนกันจริงไหมบางคนอาจจะเรื่องนี้เป็นที่ทุกข์จัดใจเล็กๆแต่สำหรับบางคนคิดว่ามันเรื่องที่ไม่ทุกข์เท่าไหร่เราก็ต้องหาสิ่งที่เราทุกข์ให้ตรงได้ว่าทุกอะไรทุกก็อความได้เป็นอิจฉะทุกไหมทุกเราอาจจะทุกนั่นทุกนี่อาจจะไม่คิดอะไรแต่ว่าเราไม่มีความสุขเลยมันเหมือนเรา เป็นโนบที่อยู่ในกรงขังไม่สามารถทําอะไรเรื่องใจของเราต้องสุบเรื่องนั้นดูจขั้นจิตใจเรื่องนี้ดุจขั้นจิตใจตลอดเวลาแบบนี้คิดได้ไหมคิดได้บางคนอาจจะคิดตามทุกปีทุกการมีลูกทุกการมีขวมีเมียทุกการมีภาระการงานทุกการเจ็บป่วยให้ไม่สบายทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ได้ที่มันสามารถจะทําให้เราเนี่ยไม่อยากคิดจิตแล้ว จำไว้นะคิดถึงความทุกข์จนฝ่ามันไม่อยากคิดถึงอนาคตไม่อยากคิดถึงอดีตถืยว่าเธอใช้ได้แล้วอารมณ์ของเธอตอนนั้นเริ่มปล่อวางแล้วได้จับอะไรแ ล, ล้วเริ่มจับความสงบอย่างเดียวต่อมาชิ้นตัวแรกเกิได้ล้วอันนี้เธอจะเป็นจับนิมิตองค์พระจับนิมิตพระพิจิตรุ่งพระสงฆ์องค์ใดจับนิมิตจระสิณกองไหน ได้จับคำภาวนาคำเจดมลดูไม่จับอะไรเลยเจอคำได้แหละมันจะสงบนิ่งส บ, บายพอมาเริ่มตึงตันกลับมาใหม่อันนี้นะกลับมาคิดหาทุกข์ใหม่คิดจนกว่ามันไม่อยากคิดอีกจำไหมนะอย่าคิดเป็นของแต่พื้นผื้อคิดไปตามตําราคิดท่องเอาไม่เอาแบบนั้นนะคิดจนกว่าใจเราไม่อยากจะคิดเรื่องอนาคต เขาคิตาปมันก็มีแต่เรื่องทุกข์ไม่อยากจะตามไม่ถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วตามคิดิีกกทุกข์ถ้าทุกข์ทั้งสองอย่างที่ฝังหน้าเราก็ะดีผ่านแล้วก็าตามเราไม่ชนกับมันแล้วได้อยู่ก่างๆแล้วเป็นม่ขี้มาปฏิบัติเลยเอารมณ์ใจตอนนั้นมันจะเริ่มสงบความทุกขเ์เริ่มจะขึ้นกับเธอแล้ว่ะพอเธอปฏิบัติจะไปเรื่อยๆสบายๆมาขึ้นนิ่งๆสงบพอถึงจุดๆหนึ่งมันก็จะเริ่มสงบ กำลังของมันก็จะคายตัวลงมาตอนนี้น่นนะถ้าไปจะย้อนกลับไปคิดเัื่งทุกในตอนแรกจะจังจะเห็นมันอย่างละเอียดมากที่ได้รู้ลึกขึ้นอีกแทงตลอดขึ้นอีกหาบกสรุปให้ตัวเองได้ง่ายขึ้นอีกมันเล่นเวล า, าการปฏิบัติตรงไหนตรงที่เคยปฏิบัติต่อไปไม่ต้องคิดเยอดเห็นไหมเล่นนะเล่นเวลาถ้าไม่เุยคิดตั้เเยอะ แค่ละเนิมือเดียวจะกล้าสามารถจะทําให้จิตของเธอสงบลงไปไม่อยากไึกถึงอนาคตไม่อยากกังวลกับอดีตที่ผ่านมาไม่กังวลเรื่องอนาคตมันเป็นเองแล้วเป็นเองแล้วนี่คือสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติว่าทํายังไงมันหยุดใจได้ไหวขึ้นพอมองเห็นตามทุกทักไม่เอาแล้วไม่หามันแล้วไม่อยากคิดถึงมันแล้วไม่อยากกล้าลงไปเจอะเจอมันแล้ว แต่เราไม่ได้หนีความจริงนะจำไว้นะไม่ได้พาตัวเราหนีคนหนีความวุ่นวายจะพาตัวเองเนี่ยอยู่ในใจตนอยู่กับความไม่คิดถึงเรื่องอดีตไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นอนาคตขอธิใจยไหมจ๊ะใช่เป็นการปฏิบัตินะในแนวทางที่เวรานาจารต์ก็ปฏิบัติกันมา ถ้าเจอยู่ในปัจจุบันอารมณ์ของเจนก็คืออยู่ในคว า, า, ามสงบเห็นไหมเจนก็เดินตจงกรมก็ได้เจนจะับนี้วข้าพระเจนจะเคลิงกับความสุขของเธนเอามาเริ่มต้่งไปในเรื่องอนาคตนี่มันทุกข์แล้วนะอแล้วมันก็จะกลับมาเพราะจิตมันเคยเตือนตัวเองว่าทุกขไม่อยากจิตจะเจอความทุกข์ไม่อยากจิตอีกแล้วไม่อยากนําพาให้ใจไปวุ่นวายต่อไปแล้วอยากอยู่สงบแล้ว เหมือนคนมันเหนื่อย ล, ล้ามันไม่อยากคิดใช่ไหมไม่อยากเห็นไม่อยากคิดไม่อยากไปเจอเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมตัวตัวถกเบียดคั้นเรื่องราวต่างๆใชร่างกายหยุดคั้งจิตใจใถูกปบดคั้งมันไม่อยากจะไปเห็นไม่อยากไปฟังไม่อยากได้ยินใช่ไหมอยกะจะหลบนีไปอยู่ในที่ที่มืดที่เงียที่ไม่มีใครเห็นว่าใจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เราดูจว่าใจมันไม่มันไม เรารูา้ว่ามันอยู่ที่ตัวมันเองมันอยู่ได้แต่มันไม่ยอมอยู่มันจะต้ อ, อยู่ในที่ที่ไม่มีใครที่พราะเราไม่เคยฝึกที่จะเอาความสงบอยู่กับใจตัวเองมันจึงต้องไปดิ้นหาที่สงบหาที่นั่นหาที่นี่ชา้ามันเป็นการเดืดร้อนตัวเองอย่างมากถ้าเธอเคยเปฏิบัติแบบนี้แล้วเธมีความรู้สึกแบบนี้แล้วเคยหนีไปอยู่อย่างนั้นเธอจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนีทุกข์เลย คามคิดมันไม่ได้ไปไหนมันยังตามจะไปด้วยมันยังไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วด้วยมันยังกังวลสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าด้วยเข่ใมใจไมันไม่หายไปนีิเขียนจะไปหาจากคนนั้นหาจากคนนี้หาจากตรงนั้นหาจากสิ่งที่จำไม่เจอไม่ชอบใจเธอหายหายไปจากตรงนั้นเท่านั้นเองตระกใจนะดังนันวันนี้ก็ไม่แนะนําอะไรมากไปกวา่า ขอใ้เธอรู้จักคำว่าสงบอยู่ที่ใจไม่ใช่ อ, อยู่ที่ไหนไม่ต้องหาความสงบจากไหนดึงมาหาใจเธอดึงมาตรงใจของเธอคนที่ตั้งของความสงบและใจเธอสงบเมื่อไรใจของเธอของสายเมื่อไรแดนที่จะไปมันไปเอง <S <S ขอเข้าใจมไหมละ่ะขอให้เราทําให้ถึงพร้อมก่อนพร้อมในความสงบก่อนพร้อมในความเบิกบานก่อนเป็นผู้รู้ก่อน ผู้ตื่ตัวเสมอผู้เบิกบานเสมอก่อนแล้วจึงเข้าไปอยู่ในที่ที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาอยู่กันนั่นคือนิพพานมันเป็นของไม่ยากถ้าเราให้ฝึกรู้จักรักษาใจของเราให้สงบเป็นมันเป็นของยากที่จะเพลินเอาปา่าธนาเอาไอ้นั้นต้องเดินอีกนานมันเป็นบันไดที่เดินอีกไกลแสนไกลเพราะอะไรรู้ไหมพเพราะเปงมัวแั่เอาของอยาง ไอ้ของละเอียดใจของเธอเนี่ยเธอไม่เอาสําคัญกลไปเอาเรื่องภาย น, นอกอะเป็นบุญทําบุญต้องทําบุญถึงจะไปนิพพานได้แต่ท่านไม่ทําบุญท่านไปนิพพานไม่ได้นี่มันของหยากไอ้ของละเอียดใจของเธอมั น, น, มนยังฟุ้งซ้างอยู่เลยแต่ยังทุกข์กับสิ่งที่เปธอขลังฝาอยู่เลยเธ จ, จะไปสิ่งนิพพานได้อย่างไรใช่ไหมมันจะแค่กลามาว่าใจาสวรรค์ถึงจะมีปาแล้นิพพาน แ, นานแต่ก็ไปได้แค่นั้น หาเสถียรลบในการพอใจแต่การฟังจดมนั้นชอบจดมนันชอบจดมนันชอบฟังจดมนันมน้นชอบแค่นี้มันจะไปไหนก็ไปกลามเบาจาสวรรค์ถึงเจออนน้าป่าปณนิพพานทุกเรื่องอยิ่ง น, นิยันิพพานมันก็ไปได้เท่านั้นทำไมมันจะไปได้เท่านี้เลยนี่แหละนั่นก็ขอใทุกคนจำไว้นะใจเราเนะี่ยเป็นที่สงบที่ดีที่สุดไม่ต้องไปที่อื่น ทำใจให้สงบก่อนทำใจให้รู้ก่อนให้เบิกานก่อนแล้วไปจะไปไหนไปถ้ามีกำลังอัจฉริยาไปวิปผ่านไปถ้ามีกำลังจิตสุตติยานเอาไปเห็นโน้นเห็นนี้ไปให้เจรไปได้ไปถ้าไปไม่ได้ก็อยู่กับใจเราสงบรอร่างกายมันตายร่างกายมันตายเมื่อไหร่ใจนก็จะไปวันยัค่นะอา้ามาตั้งใจอุทิส่งกุศลกันดูไมัมไอ้ นี่ถึงคนขององค์สัตว์พระจำมาสัมพุทธเจ้านะคุณของครูบาอาจารย์พระสัรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณของเจวดานังบ้าคมที่ท่านเมตตาสงเคราะห์เรานะจิตทางบุญยะพลังเป็นและบนได้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่งโปรตอนนี้ให้แก่กเจ้ากรรมเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอท่น า, ามมนาารรทนนั้งหลายจงมาโมทนาจงมโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่แบบ น, นี้ปราบข้าพสุธรณิพันธ์ และขอพิจิตรโกษนี้ให้แก่เจ้ปเจ้าทั้งหลายที่ตกปะรักษาข้าพเจ้าและเจ้ปเจ้าทั้งหลายพื่อัาคนรักทิพบและพยายยมราศหาเจ้ปเจ้าทั้งหลายและพยายยมราชได้โปรดโมธนาได้โปรดเป็นปัจิพยาน ในการบำเท็งกุตนของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้เกิดและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุขอยู่ก็ดีเป็นยากก็ดีนิจยากก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาถึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะตื่นรับอาจารย์ระบาดเดี๋ยวนี้เถิดเป็นละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วพระโอกาสนี้ขอผลนะบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเึ็นพระนิพพาน ในชาตะบันไดเชนยะทางว่าร r ภาวะภูราริุนติจังคังเอวะเมวะอิโตจินังเตตานังอุปกาปติอิจิตังกสิตังตุมหังคิดะเมวจะมิสตตะเเรตุจังกัสตาปันโทปนรโยะา มานิโสติราตยะพาติปิโยมิวัชันโตตัพโรโคนัสตตมาเตปวันบันตรโยติธีที่คายุโกภวะอภิวานตริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารอธรรมวัชันติอยุวันโตุขังล อะระหังสัมมาสัมพุทโธพุทโวาสุทัตถะพุทวันตังอะธิวาเทเรมิตวะขะโตพุทวัสตาตโนธรรมนามาตตามิโตปติปันโนสักวัสตวัสสาวะสังโฆ ทางข้างหนมามีหมดธนทุกคนนะขอเดินทางกลับก็ปลอดภัยนะกลับไปก็เลยๆกันเยอะๆเลยนะเออ <c oughs> ดีไหมเออเลยวก่อนอตายทีหลัง <c oughs> <c oughs> ่า